ทรงอนุญาตน้ำและไม้ชำระฟัน2 6งสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายมีความยำเกรงไม่ยอมหยิบน้ำและไม้ชำระฟันใช้ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถือเอาน้ำและไม้ชำระฟันมาใช้เองได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกศิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้